Thank you. เข้าพรรษามาได้เดือนหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่สองท่านที่ได้มาเข้าพรรษาตั้งแต่วันแรกๆผ่านมาเดือนหนึ่งก็ควรจะมีความก้าวหน้าอยู่บ้างนะอย่างน้อยๆก็สามารถจะปรับตัวเข้ากับชีวิตหรือว่า ความเป็นไปนะของที่นี้ได้เริ่มตั้งแต่การตื่นนะการขบฉันรวมทั้งการนอนนะคนที่เคยนอนดึกอ่าตอนนี้ก็สามารถที่จะนอนได้ตั้งแต่สามทุ่มคนที่เคยตื่นสายตีสามนะ ตีสามครึ่งก็สามารถจะตื่นได้ใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของที่นี่ทั้งในเวลาที่มีการทำงานทำกิจวัตรแล้วก็การปฏิบัติอันนี้ก็เป็นขั้นต้นนะถ้าตรงนี้ยังไม่ได้นี่ก็ถือว่าแย่แล้วนะเพราะว่าเวลาเดินนก็ไม่ใช่น้อยเอาขั้นต่อมาคือว่า มันก็มีความเปลี่ยนแปลงในจิตใจอยู่บ้างเช่นที่เคยฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ลดลงมีความสงบในจิตใจบ้างมากขึ้นจะก็ต้องดูนะว่าที่สงบนี้เพราะอะไรนะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่คือความเป็น ชุมชนนักปฏิบัติธรรมซึ่งมีป่าแวดล้อมเนี่ยซึ่งเหมือนกับจะตัดเราขาดจากสิ่งกระตุ้นเราเย้ายวนทั้งหลายที่มันมีอยู่มากมายนะในสังคมที่เราอยู่ที่เราจากมาเนี่ยถึงแม้ไม่ปฏิบัติธรร ม, ม น, นะเพียงแค่อยู่ในสภาพแวดล้อมใน ชุมชนแบบนี้เนี่ยใจมันก็สงบได้เพราะว่าสิ่งกระตุน้นเรานมันน้อยลงอีกทั้งภารกิจการงานที่จะทำให้จิตใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านมันก็มีไม่มากแล้ก็ต้องสำรวจดูว่าเออไอที่เราฟุ้งซ่านน้อยลงใจสงบมากขึ้นเนี่ยนอกจากเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วนะใจเราเนี่ย มันมีสติมากขึ้นไหมเพราะว่าถ้าความสงบมันเกิดจากการที่เรามีสติมีความเริ่ ร, ร, ร, รู้อารมณ์ปรุงแต่งต่างๆหรือว่ารู้ทันในยามที่ใจกระเพื่อมเพราะสิ่งเล้ะในการรู้ทันอย่างว่องไวก็ทำให้ใจสงบได้เร็วต้องดูตรงนี้ด้วยนะ ว่าสติเราดีขึ้นไหมเรามีความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะเวลาเราอยู่นิ่งๆ น, นะไอ้ความง่วงเมาหานอนหรือว่าทินมิทธะนี่มันครอบงำลงง่ายไหมมันก็ดูได้นะจากเวลาทาวัดสวดม น, น่ช่วงที่นั่งฟังคำบรรยายพอ เราอยู่นิ่งๆเนี่ยใจเราเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอให้ทำโ น, น่นทำนี่นะใช้ชีวิตตามปกติจิตก็ฟุ้งซ่านแต่เวลาพออยู่นิ่งๆใจมันก็สวิงไปอีกทางนึงก็คือว่าค่อยๆง่วงเหงาหาวนอนนะมันสวิงกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละสิ่งที่เราควรจะ ทำหรือปรับปรุงคือว่าเวลานะเราตื่นเราทำอะไรจากเดิมที่ฟุ้งซ่านใจมันก็สงบลงส่วนเวลาไม่ทำอะไรอยู่นิ่งๆเช่นฟังคำบรรยายที่เคยง่วงเอาจรนอนมันก็ตื่นมันรู้ตัวมากขึ้นนะมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะ น, นี้นะถึงจะเรียกว่ามีพัฒนาการมีความก้าวหน้า นะอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งนะเราก็วัดได้สองตัวในะเวลาเราทำงาน<ม>เวลาเราไปบิณฑบาตเวลาเราทำกิจต่างๆกวาดลานวัดหรือว่าทำงานส่วนรวมใจเป็นยังไงนะนะไอ้ที่เคยพุงซ่านมาลดลงบ้างไหมเวลาอยู่นิ่งๆนะไม่มีสิ่งเร้านะนั่งฟังคำบรรยายเป็นไงงงงงไหมหรือว่าเราตื่นมากขึ้น เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เคยพูดไปแล้วนะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้คือนิ่งเป็นนิ่งเป็นหลับนะขยับจึงตื่นนะเวลานิ่งเนี่ยเวลาอยู่นิ่งๆนะฟังคำบรรยายเชา้าเย็นนะก็เดี๋ยวนั่งนิ่งไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะหลับลนะอันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่คุ้นกับการปฏิบัติก็ปล่อยใจให้มันเข้าไปอยู่ใน ความงงอาหาหน่อหลวงถินนิมิถะได้ง่ายแต่พอขยับเมื่อไหร่จึงตื่นและตื่นนี่ก็ตื่นในลักษณะที่สวิงไปอีกทางนีคือฟุ้งหรือว่าเกิดอุทจากกุฎจักนะเป็นเป็นนิวรณตัวหนึ่งหรือไม่บางทีก็เกิดพยาบาทคือความโกรธนะมันก็ทำให้จิตร้อนจิตฟุ้งด้วยเหมือนกันการมาราคะหรือว่าการมาฉันทาก็เป็นอีกตัวนี้กระตุ้นทาให้จิตเนี่ยมันฟุ้ง นิวรามีห้าตัวนะสามตัวนี่ก็เป็นประเภทกระตุ้นให้จิตนี่ฟุ้งได้ง่ายฟุ้งแบบร้อนนะหรือว่าขุนขุนมัวอีกอันหนึง่ง อ, อีกส่วนนึงก็เป็นประเภททําให้มันหลงมากขึ้นเช่นทินมิทธะความง่วงงาหาวนอนหรือว่าวิจิกิจฉาอันนี้คืู่ในฝ่ายโมหะนะซึ่งมันก็แสดงอ่า แสดงตัวเนี่ยเวลาทำงา น, นเวลาตื่นก็จะเวลาขยันขยับก็จะฟุง้งแต่เวลาพอนิ่งก็จะค่อยค่อยง่วงเหงาหรือว่าหลับไปนี่การปฏิบัติมันทำให้เราเนี่ยถอนออกมานะจิตไม่ไม่จมเข้าไปในในตัวอุทจฉะหรือว่าไม่ถูกครอบงาด้วยพยาบาทคือโทสะ หรือว่าการมาฉันทะนะซึ่งก็คือราคะเวลาจิตเวลาไม่ทำอะไรนะอยู่นิ่งๆอ่าก็ไม่ปล่อยให้ถีนมิธาครอบงำทำความสึกตัวให้ตื่นขึ้นมาถ้าทำใปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือนึ่งเป็นหลับนะขยับจึงตื่นแต่นี้พอเราปฏิบัติเข้าเนี่ยนะมันก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงคือว่า แม้เวลานิ่งก็ตื่นเวลาฟังคำบรรยายไม่ว่าจะเป็นตอนตีสี่ครึ่งหรือว่าหกโมงครึ่งแม้จะนั่งนิ่งๆนะก็ตื่นนะจิตมันตื่นนะไม่งงอาหานอนง่ายๆอันนี้ก็เรียกว่านิ่งก็ตื่นนะขยับก็ตื่นอันนี้เราเป็นความเป็นพัฒนาการ ก็ต้องมาเช็คดูว่าเออเป็นไงเรานิ่งแล้วเราตื่นไหมหรือว่านิ่งแล้วก็ยังหลับอยู่ยังสับป้งบอยู่นะแล้วพัฒนาขั้นต่อไปคือว่าไม่ใช่แค่ตื่น อ, อย่างเดียวแต่ว่ามันรู้ตัวด้วยนะเวลานิ่งก็รู้ตัวเวลาขยับก็รู้ตัวนะไม่ใช่ว่าฟุ้งนะฟุ้งนีมันคือปล่อยให้ใจหลงเข้าไปในความใจมันเข้าไปในความหลงหรือเข้าไปในตัวที่เป็นนิวรณนะ์ มันต้องรู้จักแก้อารมณ์ของเราไอการทำความรู้สึกตัวใ ห, ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นมากกว่าการตื่นนะเพราะคนที่ตื่นเนี่ยนะเชตื่นเช้ามาแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้การตื่นหรือช่วงเวลาที่ตื่นเนี่ยก็อาจจะทาอะไรไปด้วยความหลงเหมือนกับคนลมเอ คนนี้ไม่รู้ตัวเนี่ยแม้ตื่นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคนละเมออาจจะเดียวอาจจะเดียคนละเมอนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็เต็มไปได้วยความไม่รู้ตัวเหมือนกันนั้นตื่นนะไม่ใช่ตื่นทางกายเดียวนะใจก็ตื่นคือรู้เนื้อ ร, รู้ตัวมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวเพราะว่ามีสตินะที่คอยช่วยทาให้จิตเนี่ยมันหลุดจากอารมณ์ ไม่ถล่าจมเข้าไปในอารมณ์หรือว่าความคิดฟุ้งซ่านมันมีถ้าไม่มีสติ จ, จิมันก็จะไหลไปสู่เรื่องราวในอดีตนะหรือว่าลอยไปนึกถึงเรื่องอนาคตสร้างภาพขึ้นมาให้เวิตกกังวลต่างๆนา น, นานแต่พอมีสติเนี่ยมันรู้นะมันรู้ว่าใจเนี่ยน ะ, ะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้ว สติจะดึงจิตนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเออความรู้ตัวขึ้นแล้ถ้าเราปฏิบัติมากๆเนี่ยนะให้ความรู้ตัวมันก็จะมีมากเวลาเราเวลาเราเคลื่อนขยับนะทํางานในชีวิตประจําวันนะก็มีความรู้ตัวเวลาอยู่นิ่งๆนะจิตก็ยังรู้ตัวได้นะไม่ใช่ว่าพออยู่นิ่งๆจิตมันก็ค่อยหลงค่อยหลับไป นะนักปฏิบัติหรือว่าพวกเราที่มาจำพรรษาเดือนหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเห็นพัฒนาการตรงนี้บ้างนะว่าแม้ว่ายัางนิ่งนะเวลาฟังคำบรรยายก็ยังมีอาการตื่นและไม่ใช่ตื่นเดียวนะมันมีความรู้ตัวด้วยแต่ใหม่ๆเนี่ยตื่นอาจจะไม่รู้ตัวนะคือไม่หลับก็จริงแต่ใจลอยคิดเป็นโน่นคิดเป็นนี่แต่ว่ามันก็ยังดีนะยังมีจําเป็นพัฒนาการมีความคืบหน้าบ้าง ก็คือไม่หลับนี้พอตื่นแล้วเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวในการที่ถ้าเราปฏิบัติดีๆนะมันจิตมันจะเก็บความรู้สึกตัวได้นานไม่ใช่รู้สึกตัวเฉพาะเวลาขยับนะแต่เวลานิ่งก็รู้สึกตัวได้เคยเปรียบเทียบไว้แล้วเหมือนกับว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่เก็บไฟฟ้าจากแผงโซลา่าเซลล์เนี่ยตอนกลางวันนี่ก็เก็บตอนกลางวันนี่ก็มีไฟฟ้าเนี่ยเนะข้าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ดีเนี่ยแม้ถึงเวลากลางคืนแล้วเนี่ยผ่านไปเจ็ดแปดชั่วโมงก็ยังมีไฟเก็บอยู่นะแต่ถ้าแบตเตอรี่ที่ไม่ดีนะพอไม่มีแสงอาทิตย์ไฟก็อยู่ได้เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือบางทีสิบห้านาทีอันนี้แสดงว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วอย่าให้ใจเราเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่านะไอตอนขยับนี่ก็รู้ตัวตื่นแต่พอไม่ขยับพอนิ่ง อีสิบห้านาทีก็หลับไปซะละนะต้องฝึกนะต้องกระตุ้นใจของเราต้องแก้อารมณ์นะเช่นเมื่อรู้ว่าเราชอบง่วงเนี่ยเออแทนที่เราจะหลับตาเราก็เปิดตาขึ้นม า, าคนที่ชอบชอบหลับเนี่ยนะถ้าไปซ้ำเติมไม่ถ้าไปถ้าไปาไปเข้าหาความสงบด้วยการหลับเนี่ยนะหรือการปิดตาเนี่ยมันยิ่งหลับเข้าไปใหญ่ อยิ่งถ้าจะง่วงโงกก็ค่อยๆเปิดตาขึ้นมาอันนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ปฏิบัติบางคนบอกว่าปฏิบัติแล้วง่วงนะบางคนชอบปิดตาตามลมหายใจพอ ง, ง่วงเนี่ยวิธีแก้คือเปิดตาดืมตานิดหน่อยก็ได้แล้วก็อาการตามลมหายใจก็จะช่วยหรือว่ายิ่งทํามาเคลื่อนไหวมือนะสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยมันก็ทําให้ตื่น ทีแรกกายมันตื่นหน่อนตอนหลังใจมันก็ตื่นด้วยคือรู้สึกตัวไม่ใช่สวิงไปอีกทางหนึ่ง ค, ค, คือว่าฟุ้งซ่านนะการปฏิบัตินี่มันมันก็คือการพาใจอยู่ตรงกลางๆนะก็คือว่าไม่ฟุง้งนะแล้วก็ไม่ไม่ง่วงโงกนะหรือว่ า, าซึมซึมเศร้าหดหู่ ตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้จักแก้อารมณ์ของเราเพื่อให้ใจเนี่ยมันอยู่เป็นกลา ง, ก, ลางการมันมีธรรมอยู่หมวดหนึ่งนะอันนี้เคยพูดไปแล้วที่มีความสำคัญมากเรื่าโพ่อชงเจตพชงเจตก็คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตัดสู้หรือว่าธรรมที่ช่วยทำให้ตัดสู้หรือรู้แจ้งเห็นธรรมเนี่ย มีเจ็ดข้อสำคัญมากเลยส่วนใหญ่มักจะสวดโพจชงเวลาคนใกล้าตายมีธรรมเนียมนะใครใกล้าตายก็สวดพจนชงเพราะว่าในสายพุทธกาลเนี่ยผู้เจ้าเองหรือพระสาวกเช่นพระโมคคัลลานนะหรือพระมหากัสปะแล้วก็หายป่วยได้ก็เพราะาได้ฟังบทสวดพชชงแต่ที่จริงเนี่ยพจชงเนี่ยมัน มีความหมายหรือมีคุณค่ายิ่งกว่า น, นั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะชโชคพ่ชงเจตเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเป็นธรรมะที่ช่วยทำให้ใจสงบได้ไวก็คือปัสสถานิแล้วก็สมาธิอุเบกขาเป็นตัวที่ทำให้ชะลอนะทำให้สงบปัสสถทิะแปลว่าความผ่อนคลายกายและใจรวมทั้งความสงบเย็นด้วยสมาธิคือการที่จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์หนึ่ง แล้วก็อุเบกขาอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางหรือปล่อยวางด้วยปัญญาธรรมะสามข้อเนี้ยนะจะทำให้ใจเราสงบนะเป็นตัวชะลอนะถ้าฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยถ้าใช้สามตัวเนี่ยนะโอ้ใจจะสงบอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นประเภทตัวกระตุ้นนะก็คือธรรมวิทยะวิริยะนะแล้วก็ปิติ หรือถ้าเรียงก็คือปิติวิริยะแล้วก็ธรรมวิจยะปิติความอิ่มใจนะวิริยะ ก, ก็รู้อยู่แล้วความภาคเพียรความขยันส่วนธรรมวิจยะคือการพิจารณาธรรมเวลาคนผู้เจ้าตา๋าบอกเวลาคนที่จิตเนี่ยเสื่องซึมนะเสื่องซึมหดถูเนี่ยอย่าไม่ใช้อย่าใช้ธรรม กลุ่มแรกนะก็คือปัตสัตติสมาธิแล้วก็อุเบกขาเพราะจะยิ่งทําให้ซึมหนักเข้าไปใหญ่นะหรือทั้งง่วงแล้วก็ง่วงหนักเข้าไปใหญ่นะบางคนเนี่ยนะจิตใจซึมเศร้าพอไปทำสมาธินี่มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะอาจจะเพราะวาความติดสงบพอไปทำสมาธิก็กลายเป็นสลบไปเลยนะสงบกับสลบนี่มันใกลกันนะ เลยเพราะถ้าหากว่าปฏิบัติไม่เป็นนะอันนี้คนที่ซุมเศร้าเนี่ยถ้าถ้าไปแสวงหาความสงบเนี่ยมันจะสลบได้ง่ายนะเพราะว่าใช้ธรรมะผิดข้อวิจารตาว่าเวลาที่จิตมันซุมเศร้าหดหวดนะัวต้องใช้อีกหมวดหนึ่งนะอีกกลุ่มก็คือปิติวิริยะแล้วก็ธรรมวิทยะนะอันนี้จะทำให้จะทาให้ใจนีมันตื่นเลยในทางตรงข้ามคนที่ฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยนะ ถ้าหากว่าไปใช้ปิติวิริยะแล้วก็ธรรมวิจยะเนี่ยเช่นฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะก็ยังทําความเพียรอย่างหนักเข้าไปอีกหรือว่าคิดพิจารณาธรรมนะมันยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่นะพระเจ้าเปลี่ยนเหมือนกับว่าไฟที่มันกําลังลุกเนี่ยแล้วถ้าต้องการดับไฟนั้นนะ่ะหรือทําให้ไฟมันอ่อนลงเนี่ยไม่ควรจะ ไม่ควรจะใส่หญ้าแห้งลงไปถ้าใส่หญ้าแห้งเนี่ยไฟเป็นไงมันก็จะลุกพลุบนแรงกว่าเดิมอ่าไฟกองไฟนี้ก็เปลี่ยนเมื่อจิตที่กําลังฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ควรจะทําให้ถ้าต้องการให้สงบเนี่ยก็ควรจะใส่ไม่ใช่หญ้าแห้งนะแต่ว่าใส่หญ้าสดนะหรือว่าน้ํำนะเพื่อทําให้ไฟเนี่ยมันมันค่อยๆฟอลง่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆดับไปนะ ในตอนเดียกันถ้าเกิดไฟมันกำลังดับอยู่แล้วเนี่ยนะอยากจะให้มันลุกขึ้นมาแต่ดันไปใส่หญ้าสดเข้าไปเนี่ยมันก็ดับเสียนะจิตของคนที่หดหูเนี่ยเปลี่ยนไนกับไฟที่มันกําลังอ่อนแรงนะพอไปเติมสมาธิเข้าไปพอไปเติมอปัสสัทธิเข้าไปนะอันนี้มันหลับไปเลยนะจากจากสงบนี่กลายเป็นสลบไปเลยนะ อันนี้เราต้องใช้ให้เป็นนะยิ่งคนคนไหนคนไหนที่รู้สึกว่าใจมันหดหูเสื่องซึมอัต้องทำความเพียร น, นะต้องอพิจารณาทำสักหน่อยอันนี้พระโมคคัลลานะท่านก็ใช้ในเวลาท่านง่วงมากๆเนี่ยเคยมีช่วงที่ท่านง่วงตอนที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยท่านก็พยายามทำหลายอย่างนะเช่นเอาเอาแขนลูบตัวเอาอะไรมาย้อนหูนะก็ยังไม่หายง่วง ท่านก็ลองใช้การพิจารณาธรรมนี่แหละพิจารณาธรรมนะไล่เรียงธรรมมาที่ได้ฟังจากพุทธเจ้าแต่ว่าคราวนั้นท่านง่วงมากนะก็ยังไม่สําเร็จนะท่านก็ใช้วิธีการพิจารณาไม่ใพิจารณาการเห็นนิมิตนะความสว่างอะโลกสัญญาอะโลกสัญญาคือการการสร้างนิมิตเห็นความสว่างขึ้น ในใจหรือจินตนาการมีความสว่างมีแสงสว่างคืออันนี้เพื่อเพื่อกระตุ้นให้ท่านหายง่วงนอกกปฏิบัติเนี่ยต้องรู้จักแก้แก้อารมณ์ของตัวนะเวลามันฟุ้งซา่านก็ต้องอใช้ตัวสมาธินะใช้ปิดปัดสสัทนธะิหรือว่าอุเบกขาเนะี่ย มาช่วยทำให้ใจสงบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ง่วงอยู่แล้วชอบง่วงเนี่ยคืนไปใช้สมาธิเข้านี่เช่นเอาแต่นั่งสมาธิทั้งนี้ก็รู้ว่าตัวเองง่วงหลับตามันก็ยิ่งหลับเข้าไปใหญ่อันนี้ต้องรู้จักแก้อารมณ์ของตัวแต่ว่ามีตัวหนึ่งนะที่ใช้ได้ทุกกรณีนะซึ่งไม่ไม่ไม่จัดว่าไม่อยู่ในกลุ่มสองกลุ่มนี้แนะ สิ่งนั้นคือสตินะพอชงเจ็ดเนี่ยจะมีสองกลุ่มนะกลุ่มละสามเป็นหนะแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งที่อยู่กลางๆใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นในยามที่เสื่องซึมกดหูง่วงเหงาเหานอนหรือว่าฟุ้งซ่านจิตพุ่งพรานสิ่งนั้นคือสติสตินั้นเป็นทั้งตัวชะลอหรือเบรกแล้วก็เป็นคันเร่งนะอันนี้ถ้าเปลี่ยนมันลดนะ มีธรรมะอย่างเดียวนะที่ทำหน้าที่สองอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าสามารถจะใช้ในทุกกรณีได้ผู้เจ้าตากบ้านเนี่ยสติเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ใช้ได้ในที่สุขสถานความเพียรเนี่ยก็ใช้ได้ในในบางเวลานะคือถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยก็ต้องเพียรได้น้อยหน่อยนะ ส, สมาธิก็ใช้ในบางเวลาเช่นถ้าเกิดว่าอาจิตหดหูง่วงนอนสมาธิก็ต้องใช้น้อยหน่อย แต่ว่าสำหรับสติแล้วนี่ยใช้ได้ในทุกกรณีทีนี้เราอากรมธรรมะนะที่ว่าแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีที่ง่ายกว่า น, นั้นนะเช่นการใช้กายนี่แหลนะนะการใช้กายเป็นเครื่องช่วยช่วยใจนะคนเรามีกายกับใจอย่างเช่นเวลาใจมันง่วงเเ่เฮานอนอ้าวเราลองขยับนะลองขยับ มันก็จะตื่นขึ้นหรือเวลาเดินจงกรมถ้ามันง่วงก็เดินให้เร็วขึ้นการทำให้เร็วขึ้นก็ทำให้ให้ให้ง่วงน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่ามันเครียดมันพุ่งมากเนี่ยก็ต้องเดินให้ช้าลงเดินให้ช้าลงสร้างจังหวะช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความพอดีขึ้นมาในจิตใจ การมองก็มีส่วนนะเวลาเรามองไปไกลๆใจก็ฟุ้งง่ายเวลาเราก้มถ้าก้มมากเกินไปมันก็เครียดง่ายอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องรู้จักใช้กายเนี่ยเพื่อที่จะปรับใจนะให้มันได้สมดุลให้มันได้ความพอดีเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะถ้า ง, ง่วงอยู่แล้วเนี่ยปิดตาอ้าวมันก็ยิงง่วงเข้าไปก็เปิดตาหรือว่าอยีองขยับ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะบางทีเวลาง่วงมากๆเออลองเดินพาตัวเองเดินไปที่โลง่งๆนะมันก็หายง่วงหรือว่าเครียดก็เหมือนกันนะเวลาเครียดเค ร, รเนี่ยถ้าไปอยู่ในที่โลง่งๆก็ช่วยทำให้ผ่อนคลายได้ต้องรู้สักใช้ใช้กายเนี่ยนะมาช่วยปรับใจหรือบางทีเวลาเครียดมากๆนะบางคนทำ จเจริญสติแล้วเครียดเพราะว่าวางจิตไม่เป็นลองหายใจเข้าลึกหายใจยาวๆนสักห้าครั้งสิบครั้งก็จะดีขึ้นนะหรือว่ายิ้มนะยิ้มแม้ว่าข้างในใจเราจะบูดบึ้งนะหรือคุณมัวแต่ว่าการที่ฉีกยิ้มบนใบหน้าเนี่ยมันก็มีผลต่อใจนะอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่ามั น, ม, นมันมีผลแม้แต่เวลาเจ็บปวดเวลากลัวเนี่ย กลัวเข็มฉีดยาหรือว่าปวดนะพอมีเวทนายิ้มเอาไว้ก่อนเนี่ยมันช่วยลดความปวดได้ลดความกลัวได้เนี่ยวิทยาศาสตร์าบอกว่าเขาสามารถจะวัดได้ขนาดกระทั่งว่าเนี่ยความเจ็บปวดมันจะลดลงไปสี่เอร์เซเมื่อเราเพียงแค่ฉีกยิ้มนะอันนี้เป็นเรื่องกายนะแต่ว่ามันมีผลต่อใจนะกายกับใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมากในท้องเดียวกันนะใจก็มีผลต่อกายนะ นะเช่นเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็ทำให้การหายใจเราติดขัดมันทำให้เราปวดโน่นปวดนี่บางคนเดิมมากๆเราปวดนะปวดแขนปวดไหล่เนี่ยสาเหตุจริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะว่าใช้กายหนักก็ได้แต่เป็นเพราะว่าเครียดเครียดที่ใจมันก็ส่งผลต่อกายนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองระหว่างที่เราทำเนี่ยลองศึกษานะลองพิจารณานะกายของเราดูใจของเราดู ใช้กายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นเท้าไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเดินการทอดสายตาเป็นต้นเนี่ยนะในการช่วยปรับอารมณ์ในการเจริญสติเนี่ยนะมันช่วยมากนะเพราะว่าการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานสีเนี่ยก็จะให้นะให้ให้พิจารณาหรือว่าให้ให้ตามดูรู้ทันกายและใจรวมทั้งเวทนาด้วย ช่วยได้เยอะนะไอการที่เรารู้กายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ใจเราอผ่อนคลายได้ในกรณีที่เราเครียดนะเวลาเครียดเวลาโกรธเวลาโมโหเนี่ยนะลองกลับมาดูกายสักหน่อยสินะดูลมหายใจว่าเป็นยังไงสังเกตหัวใจมันเต้นเร็วไหมหน้านี่คือขอมวดหรือเปล่าปากเ ม, ม้มเม้มปากแน่นไหมมือนี่งกำหรือเปล่าเนี่ยเพียงแค่นี้มันช่วยได้เยอะนะ เรามารู้กายเนี่ยพอเรารู้กายว่าเนี่ยกําลังเม้มปากกาลังกําลังกําหรือว่ากําลังเกรงนะขาเกรงเมื่อมันจะผ่อนคลายหัวใจที่เต้นเร็วพอเราไปรู้ไปดูโอหัวใจมันเต้นเร็วนะลมหายใจถี่สั้นนะแค่รู้กายเนี่ยนะมันก็ทําให้กายนี่ผ่อนคลายพอกายผ่อนคลายทําให้ใจผ่อนคลายไปด้วยแม้แต่กรณีที่เป็นปัญหาหนักๆนันะ่น เคยมีอาจารย์พรมวังโสเนี่ยท่านเป็นพระชาวอังกฤษแล้วก็ไปไปตั้งวัดที่ออสเตรเลียท่านเลาว่าวันหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาท่านผู้หญิงคนนี้มีความวิตกกังวลสูงมากถึงขั้นป่วยเลยป่วยชนิดว่าทำอะไรไม่ได้นอนติดเตียงแกก็ไม่สนใจธรรมาตนะั้งแต่มีคนแนะนําว่าให้ลองโทรมาหาอาจารย์พรมวังโสดู ก็เล่าอาจารยมีความวิตกกังวลสูงมากอย่างดีนักที่รู้ตัวนะว่าวิตกกังวลอาจารย์พร้มก็ไม่ได้ถามว่าวิตกกังวลเรื่องอะไรแต่ถามว่าอตอนวิตกกังวลเนี่ยคุณรู้สึกตรงไหนของร่างกายผู้หญิงนั้นงงเลยนะหมายความว่ายังไงอาจารย์พรมอมอธิบายว่าคนเราเวลามันมีอารมณ์อารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกาย อารมณ์แต่ละอย่างก็ส่งผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันเช่นความโกรธก็ส่งผลต่ออวัยวะส่วนหนึ่งความหดหู่ก็มีผลต่อร่างกายส่วนหนึ่งความวิตกกังวลก็ส่งผลต่อร่างกายอีกส่วนหนึ่งนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอาจารย์ผมก็อธิบายเงี้ยอาจารย์ผมก็มดลองถามแหมาว่าเนี่ยตอนที่คุณกังวล ม, มากๆเนี่ยรู้สึกตรงไหนของร่างกายแกตอบไม่ได้นะอาจารย์ผมก็บอกว่างั้น ชอบคุณรู้พบคําตอบก็ค่อยโทรมาหาต่อมาสองวันต่อมาแกก็โทรมาบอกว่าเวลาพิจตกังวลเนี่ยมันจะรู้สึกปวดเอามันจะรู้สึกที่ลิ้นปีจะรู้สึกที่ลิ้นปีอาจารย์โมงก็ถามว่ารู้สึกยังไงตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ต้องกลับไปไปหาคําตอบด้วยตัวเองคนสมัยนี้เนี่ยพอมีอาการเนี่ยมันกับกายเนี่ยตอบไม่ได้นะ เพราะว่าเหินห่างแปลกแยกกับกายมากแล้วมันมีอาการที่กายยังตอบไม่ได้ว่ารู้สึกตรงไหนเ็ อ, อยงนี้ใช้เวลาอีกสองวันแล้วก็โทรไปหาอาจารย์พรหมว่ารู้สึกรู้สึกปวดปวดยังไงก็ก็บรรยายั่งนี่แกบรญญายละเอียดนะบรรยายได้ได้ละเอียดแสดงว่ามันพิจารณาอาจารย์พรหมก็แนะ ว, ว่าเนี่ยเมื่อปวดนี่นะก็ให้นวดซะนวดตรงลิ้นปีนี่แหละถ้านวดไม่ไหวก็ให้แฟน ให้แฟนหนุ่มนิ่นวดให้นะเผื่อ เ, เธอโชคดีนะมีมีแฟนชายหนุ่มที่ดูแลเธอดีดสองวันหลังจากนั้นเธอก็โทรมาถึงอาจารย์พผมอีกมารายงานว่าตอนนี้อาการที่ลิ้นปี่หายแล้วไม่ปวดแล้วอาการแปลกๆมันไม่มีแล้วอาจารย์ผมก็เลยถามว่าแล้วความวิตกกังวลล่ะมันเป็นยังไง ผู้หญงคนนั้นเงียบสักพักเพราะว่าไม่ได้นึกเรื่องนี้เลยพอกลับมาดูใจของตัวสักพักก็ตอบว่าตอนนี้คอยไม่ตกกังวลหายแล้วนะไอ้ตอนหายนี่ไม่รู้ตัวด้วยนะตอนหายนี่ไม่รู้ตัวเพราะว่าไปสนใจกับกายแต่การสนใจกายเนี่ยมันก็ช่วยนะเพราะว่าพอสนใจกายว่ากายมันมีอาการนะ ตอบสนองหรือเป็นปฏิกิริยากับความวิตกกังวลแล้วก็จัดการกับมันสิ่งที่อาจารย์พรมทำเนี่ยคือทําให้ผู้หญิงคนนี้กลับมาดูกายแล้วกลับมาดูใจไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็ขั้นตอนการก็ช่วยให้กายมันผ่อนคลายให้การดูกายเนี่ยกับการดูกา ย, ยมันช่วยคลายอารมณ์ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักใช้กายให้เป็นประโยชน์นะเวลาเรามีความเวลามีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ใจเนี่ย ก่อนถ่งก็ต้องรู้ก่อนว่ามันทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบไหนหลายคนไม่สามารถจะแยกแยะตอบได้ว่ามันรู้สึกยังไงโกรธวิตกเศร้าใจเสียใจรู้สึกบีบคั้นนะมีหลายคนเนี่ยตอบไม่ได้นะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกแต่ว่ามันทุกข์อ่ะแล้วยิ่งเรื่องกายยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเ คนสมัยนี้แปลกแยกกับตัวเองมากนะทั้งกายและใจงั้การเอาสติปัญญามาช่วยเนี่ยมันการใช้สติปัญญา น, นมันช่วยได้เยอะเลยนะมันช่วยทําให้กลับม า, ารู้กายแล้วก็รู้ใจแล้วก็ช่วยสามารถช่วยในการเยียวยาความทุกข์ได้มันไม่ได้แค่เยียวยาความทุกข์ประเภทวิตกกังวลความเศร้าสุดเท่านั้นนะถึงที่สุดแล้วมันสามารถจะช่วยเยียวยาจิตใจให้พ้นทุกข์ได้ด้วยซ้ำนะเพราะว่า ผู้เจ้าก็ตัดว่าเนี่ยสติปัฏฐานสีน่มันเป็นทางเอกแห่งสู่การพ้นทุกข์นะแต่ถึงแม้ยังไม่พ้นทุกข์นะแต่แค่ความอารมณ์ที่รบกวนจิตใจรำคามจิตใจเนี่ยเพียงแค่เรากลับมาตามดูรู้กายแล้วก็รู้ใจเนี่ยมันก็ช่วยได้มากเอาคำนี้ก็พื่เทานี้นะเอากลับ